ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังพูดเรื่องสมาธิธธิสูตรสารีบุตรเทระได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายมาถึงช่วงที่การพูดเรื่องอาหารเขาเรียกเรียกว่าอาหารวาระ จะพูดถึงอาหารความเกิดของอาหารความดับแผงอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแผงอาหารตามโครงสร้างของอริยสัจทั้ง4ี่ประการจากนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อใดพิเมื่อใด อ, อริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแผงอาหารความดับแผงอาหาร และรู้ชัดปฏิปทาถึงความดับแผงอาหารอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐานุสัยว่าเรามีอยู่ได้ละวิชาได้โดยประการทั้งปวงอย่างวิชาให้เกิดขึ้นเป็นผู้ทมที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันนี้ทีเดียว ด้วยเพียงเท่านี้แหละอาดียสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแครนมาสู่พระสัทธรรมนี้ซึ่งผลเหล่านี้เป็นการเกิดขึ้นตามลำดับของประเด็นแต่ละประเด็นที่พระเทราได้ ย, ยกขึ้นมาไว้ เป็นการแสดงว่าอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเรื่องอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเน้นที่เกาลิงกะระอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็สายการเพ่งพินิษพิจารณาโดยใช้ปัญญาด้วยอุบายวิธีที่แยกขายก็จะสามารถถ่ายถอนความกำหนัดใน รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของอาหารได้เมื่อถอนความกำนัดความพอใจในรสชาติแห่งอาหารได้ก็ชื่อว่าดับราคะอนุสัยได้เมื่อดับราคะคือความกำนัดพอใจได้มันก็ช่วยให้ดับปฏิฆะคือความไม่พอใจในอาหารบางประเภท เมื่อดับได้ก็ไปดับทิฐิได้เมื่อดับทิฐิได้ก็ดับดับอวิชชาได้และวิชาก็เกิดขึ้นตามหน้าที่ดับผู้กิเลส ท, ที่ท่านยกมาสี่ประการจนถึงหมดไปสิ้นไปทำใหสถานะของบุคคลผู้นั้นจะเป็นพระหรือคาวาะ ก, ก็าตามมีความเห็นที่ ชอบมีความเห็นทรงแล้วก็ประกอบด้วยความศรัท ธ, ธาเลื่อมใสอันไม่งอนแงนคอนแกรนก็อยู่ในธรรมวินยัยจากนั้นท่านก็ยกประเด็นของสัจจวาระสัจจวาระก็คือหมวดที่ว่าด้วยอริยสัจสี ภาษาทุนที่เคยฟังหรือเคยอ่านในมหาสติปัฏฐานนสูตรเราเห็นว่าในช่วงของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านั้นก็จำแนกเขาเรียกว่าเป็นบันหรือเป็นบับสัจจะบับขันธบับอีวรณบับอะไรต่ออะไรต่างๆอ่านว่าบับก็ได้อ่านว่าบันก็ได้ ในที่นี้ก็แสดงโดยโครงสร้างเดียวกันเพียงแต่ว่าข้อความนั้นขยายไม่มากเหมือนกับในมหสติประธานสุดท่านกล่าวว่าท่านทั้งหลายยังมีแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านหลายเหตุที่เรียกว่า สาวกรู้ชัดดูรู้ชัดทุกเหตุเกิดแห่งทุกขความดับแห่งทุกและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งทุกด้วย เ, เพียงเท่านี้แหละอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีความเห็นชอบมีความเห็นตรงมีความศรัทธาเลื่องใสอันไม่งอนแงนไม่ครรครแวนมาสู่พระสัจธรรม ทั้งโดยการศึกษาทั้งโดยการปฏิบัติทั้งด้วยการสัมผัสผลจากนั้นก็ท่านก็จาแนกทุกทุกนี้ก็ทรงกับหลักที่จะทรงแสดงในธรรมจั ก, กรวรรดิสูตรแต่ไม่พิสดารเหมือนกับที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตร ในสัจจะประพานะฮะหมดที่ว่าในสัจจะในที่นั้นก็แสดงโดยพิสดารหมายกวามาทรงให้รายละเอียดถึงลักษณะของเกิดของแก่ของเจ็บของตายของการพัดพรากและก็เหตุให้เกิดความโศกต่างๆเหมือนต้นแต่สรุปว่านั้นก็คือ เป็นการขยายความบ อ, อกไปโดยพิสดารเท่านั้นเองเมื่อสาระก็เป็นเรื่องเดียวกันก็หมายความว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์สามประการนี้เป็นสภาวะทุกข์คือทุกข์โดยสภาพของมันมันก็ปรากฏแก่สิ่งทั้งหลายทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเพียงแต่ว่า ถ้าไม่มีชีวิตจะเรียกว่าเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกดับไปถ้ามีชีวิตจวก็เรียกว่าเกิดแก่ตายโดยลักษณะแล้วก็เป็นอันเดียวกันคำว่าทุกข์หมายถึงสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายไปเพราะเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตัวอย่างเช่นในร่างกายของเราเนี่ยก็เรียกโดยรวมว่าเป็นทุกข์แล้วก็จะแนกเป็นประเภทเป็นขันห้าเป็นอายตนะสิบสองเป็นธาตุสิบแปดเป็นอินทรีย์ยี่สิบสองเป็นอริยสัตว์สี่ตลอดทั้งเป็นปฏิจจสมบัติ ก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละตความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นด้วยปัจจัยที่เป็นรู ป, ปรวัตถุและก็เป็นนามธรรมก็ตามโครงสร้างปฏิจจสมบับาสามข้อแรกคือกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณ ความเกิดก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยดำรงอยู่ได้ก็เพราะเหตุปัจจัยให้ดำรงอยู่เอื่อต่อการดำรงอยู่มันก็ดำรงอยู่ได้แต่เป็นการดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ความยุ่งยากในชีวิตของเราก็คือการผ่านชีวิตไปในแต่ละวันความแก่นั้นปรากฏทุกขณะ ความเจ็บก็ปรากฏอยู่ทุกขณะแม้แต่ความตายก็ปรากฏอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่ามันเป็นอาการเลื่อนไหลเกิดดับทยอยกันไปเป็นคึื่นส่วนเกิดก็เกิดส่วนดับก็ดับส่วนที่เกิดมาก่อนก็ดับไปส่วนที่เกิด ป, ด ป, ดปาใหมก็เกิดต่อแล้วก็ทยอยดับทยอยเกิดไปเรื่อย que. ก็อาจจะดับจริงๆเมื่อไรก็ได้ที่ท่านเรียกตรงนี้ว่าเป็นคณิกะรณะคือเราตายอยู่ทุกขณะความเจ็บก็เหมือนกันความแก่ก็เหมือนกันความแก่ก็เป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นมาจากเขตปัจจัยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ก็คือแก่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีปัจจัยต่างๆเข้ามาแผดเผากลายเป็นความาร้อนอาการความาร้อนนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเสวยคือเป็นทุกข์แต่เราเห็นได้ชัดว่าจะพูดเวทนาแล้วก็ชัดตรงนี้้าเห็นว่า ความเกิดนั้นเราอาจจะอย่างไรเดียงสาอยู่คือไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนแต่ว่าเราลองนึกดูวจินตนาการดูเราอยู่ในขัน8ปเก้าเดือนถึงส0บเดือนเนี่ยมันก็ประสบความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆแต่การหยับขยับตัวการเคลื่อนไหวของมารดาก็กระทบประเทือนตั้งเด็กในขัน อาการของทุกขเวทนานี้ชัดแต่เดก็กแก่เด็กแก่ก็คงเสวยเวททุกขเวทนาโดยสัญชาตญาณของแก่มีคนเคยเล่าฟังเรื่องการทำแท้ง่าเด็กมันมีอาการหลบหนีการกระทำของหมออย่างไร ก็แสดงว่าโดยสั้ชาติยานแล้วเธอก็รู้สึกเป็นทุกข์มาตั้งแต่ต้นทีนี้ทุกข์โดยสภาวะนั้นแน่นอนมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์ความตายนั้นมันเป็นทุกข์ก็เพราะมีเหตุปัจจัยทำให้ตาย แล้วก่อนจะตายก็จะถูกแผาด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยอันตรายาต่างๆทุกเวทนาก็ชัดนะทุกโดยสภาวะก็ชัดทีนี้ความโศกความร่าไรความรำพันความทุกข์ความเสียใจยความทุกข์กายความทุกข์ใจที่เรียกว่าโทมนัสเนี่ยเรียกว่าความทุกข์ใจมันคู่กับความทุกข์เฉย แต่บางที่เราพราปล่อเรียกความทุกข์เฉยก็หมายทั้งหมายถึงทั้งทุกกายทุกใจโดยปกติจะจำแนกให้เห็นว่าผู้เสวยทุกข์จริงๆทุกที่เป็นเวทนาเนี่ยก็คือจิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์กายมันก็ทุกไปโดยในยาดังกล่าวก็คือเกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกแผดเผา พอประสบความวร้อนในที่จริงกายก็กระสับกระส่ายแต่ว่ากายมันไม่รู้ท่านั่นเองจิตเป็นตัวรับรู้ขอ ง, ขอ ง, ของความทุกข์เหล่านั้นความแคบแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประจวบ ก, กับคนสัตว์หรือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพระพราจากคนหรือสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ปราตนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการก็เป็นทุกข์กาวโดยสรุปก็คือการที่จิตยึดมัน่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์โดยเฉพาะยึดมัน่นด้วยความเป็นตัวเป็นตนคือพอทุกเกิดเนี่ยเราไปมีความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ ถ้าถอนเราออกไปได้มันก็ทุกข์ก็ส่วนทุกเราก็คือส่วนเราเยื่อกายกับจิตออกได้อย่างที่เราพูดถึงพระมาหาคสปะพระโมคคัลลานะและพระพุทธเจ้าตอนพระมาหาคสปะกับพระโมคคัลลานะท่านอาพาธพุทธเจ้าก็าทรงแสดง โพส่งให้ฟังตอนพระพุทธยาวร่งประชวนพระจุนท่าก็ได้สาธยายโพส่งทั้งเจ็ดได้ฟังคือนั่นเป็นระดับที่แยากกายจากจิตได้จิตก็มาอยู่กับเสียงธรรมะแล้วในสุดก็หายจากอาพาธและหายจากประชวน อย่างที่กลายเป็นบทสวดที่ค่อนข้างถือไปในทำนองครั้งครังก็เป็นบทสวดที่เป็นมงคลในพิธีกรรมที่เป็นมงคลทั้งหลายก็จะมีการสวดในเรื่องเหล่านี้แต่ในที่นี้ทรงสรุปว่าสังคิตเจเตนะปัญจุ ป, ปาทานกขันธะทุกขา กล่าวโดยอาการกล่าวโดยสรุปในการที่จิตยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของอุปาทานในขันทั้งห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรายึดมั่นด้วยอำนาจความใคร่ก็ได้ยึดมั่นด้วยอำนาจความเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ ยึดมั่นเดิมนาถถึงของรูปแบบที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติมาก็ได้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นก็ได้ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เด็กแต่ก็สรุปไอนนี้ก็เรียกว่า เป็นโครงสร้างแม่บทของคำอ่าทุกขะสั์ถ้าเราจำได้สักข้อเนี่ยรพอเปิดปาบเราก็รู้แล้วหมายความอย่างไรเหมือนกันทั้งโดยพยัญชนะแล้วก็โดยอัถะคือเนื้อหาทีนี้ต่อไปท่านก็แสดงเหตุที่เกิดทุกข์ท่านบอกว่า เหตุที่เกิดทุกข์คืออะไรแล้วคือตัณหาที่ให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดเริ่มหน้าความเพลิดเพลินทำให้เพลิดเพลินยิ่งขึ้นในภพนั้นๆตัณหาก็สามประการอย่างที่รู้กันประการมาตัณหาความอยากได้ ราะวะตัณหาความอยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเราก็เห็นชัดเจนว่าเป็นอาการของโลภะ ส, สองข้อเป็นอาการของโทสะอยู่สองข้อแต่ว่าสิ่งที่อยู่เบ้างหลังจริงๆก็คืออวิชชาบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงใช้คำวมาโปโนพอบิกา ในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นการอยากได้ในภพหรืออยากเกิดในภพที่ประณีตต่างๆจะเราปรารถนาอะไรส่วนใหญ่มนุษย์นี่ยมันก็ปรารถนาดับกามาวาจรภูมิปรารถนาความสุขที่มีผู้เสวยแล้วก็สิ่งที่ตอบสนองให้เกิดความสุขการพูดเป็นการพร น, นาเรื่องสวรรค์วัยโดยวิจิตพิสดาร ก็กระตุ้นให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสวรรค์เหล่านั้นโดยเฉพาะที่เน้นมากเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเรื่องเทพประบุเทพพิดามีทรัพย์สมบัติวิจิตพิสดารมากมายที่สรุปรวมมาเป็นพวกอั ญ, ญมณีทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ประกอบด้วยอายุวันนะ สุขะพละแล้วก็ยศแล้วก็ความเป็นใหญ่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ประณีตพขาเรียกว่าเป็นทิพย์รวมแล้วก็สิบประการที่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายไปนี่แต่ก็ยังเกี่ยวข้องพัวพันอยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลาย ส่วน้ที่จิตใจประ น, นีตขึ้นมันก็ปรารถนาพบที่เป็นรูปภพจนถึงอรูปภพถ้าเบือนายก็จะไม่ปรารถนาพบแต่ปรารถนาการหลุดพ้นจากภพจากชาติซึ่งมันก็เป็นผลเป็นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากนิโรดนิโรดเองก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรค เพในตัณหาทั้งสามประการนี้ก็แสดงอาการออกมาเหมือนกันทั้งสามข้อก็คือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปจนถึงการบังเกิดในภพที่ประนีตแล้วเมื่อมันได้แล้วก็จะมีความกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับสิ่งเหล่านั้น แล้วมัเพื่อเพลินยิ่งขึ้นไปหมายความว่าสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นมันประณีตระดับหนึ่งมันก็เพื่อเพลินระดับหนึ่งเอาประนีกว่ามันก็เพื่อเพลินมากกว่าจนมีลักษณะาการหวงการห่ว ง, ก า, วงการยึดการติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นต้งห่วงตั้งห่วงยึดติดมากแต่แล้วบางทีแทนที่พบมันจะสูงขึ้น ชาติมันจะสูงขึ้นพระจิตมันประนีดขึ้นแต่ว่าจิตมันไม่ประนีดเนี่ยมันจะมีอุปาทานอยู่แล้วก็ตายไปเกิดเป็นพวกกระไรปุโปรเเรกข้าสถานที่นั้นนั่นอยู่ขว่าคุ้มทรัพย์อยู่ที่เราเรียกปู่โสมเข้าทรัพย์อะไรต่างต่างเนี่ย นั้นแสดงว่าจิตมันไปเกี่ยวกเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นยังไปคิดว่ามันเป็นของเราทั้งทางที่พบชาติเราเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นของคนอื่นไปแล้วทำยังไงเราก็ทำจะยอมรับไม่ค่อยได้ตัวนี้ทีนี้ตัณหาทั้งสามประการนั้นก็ส่งแสดงอย่างที่เราจะส่งแสดงในธรรมจักนั่นแหะ คือการมตัณหาความอยากได้ในอารมณ์ชี้ใจไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นโน้นเป็นนี้เป็นนั้นเป็นเทพบุตรเป็นเทธิดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามแล้วความอยากไม่เป็นโน้นไม่เป็นนี้ไม่เป็นนั้น ตัวหมายความว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองจะได้เป็นก็แสดงว่าใจมันข่อยควาในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นพอดีตําแหน่งที่ตัวเองได้เป็นเนี่ยเราไม่ชอบก็ข่อยควาปรารถนาความเป็นไปเรื่อยๆผลสัตโลกมันก็ถูกตรารากระซิกใจจิตก็ ไหลไหลซานไปแผ่ไปในอารมณ์ที่จิตกำหนดว่าน่าใครกับไม่น่าใครคือด้วยความยินดีจิตร้ายนี่ก็เป็นลักษณะของตัณหาทั้งสามประการหรือสมุทัยศาสตร์นั่นเองประการต่อไปท่านาบอกว่า ความดับทุกข์คืออะไรเล่าก็คือนิโรดนั่นแหละแต่ว่า น, นี้ก็เรียกคือแปลเป็นไทยว่าความดับทุกข์ก็คือการดับตัณหาทั้งสามนั้นและด้วยความด้วยคล า, ายความกำหนัดไม่มีเหลือการสลัดการสลาคืนความปล่อยความไม่มีอะไรใหญ่ดีในตัณหาทั้งสามนั้นนี่ก็เรียกว่าความดับทุกข์ ตัว อ, อย่างที่เราสวดในธรรมจักก็แปลงง่ายว่าจาคคือสละตัณหานั้นโยตัสซาเ ย, ยวตัญหายะาเซสสะวิราคะนิโรโทรการดับโดยไม่เหลือแห่งตัณหาเรานั้นจะโ ก, กคือสละตัญหาเรานั้นออกไปจากใจ ปฏินิสัตโกก็คือขายครขายคือคืนหมายความมันคล้ายๆกับพูดถึงว่าเราอมของอะไรไว้ในป่าเราเห็นว่ามันไม่ดีมันมีโทษเราก็ขายทิ้งเป็นการขายทิ้งขายทิ้งโดยเป็นการสละอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการปล่อยวางอย่างแท้ โดยจิตใจไม่ได้เกี่ยวขกอะไม่ไปยึดถือไม่ไปยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปทีนี้จากนั้นก็ทรงแสดงถึงท่านแสดงถึงข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกข์เกิดอะไรเล่าก็กลับมาแสดงในอริยมรรคในองค์แปประการาที่กล่าวไว้ในวันก่อนแล้วเราก็เจอเรื่อยนะฮะพวกนี้เราเจอเรื่อยการศึกษาประสูนยก็มีลักษณะอย่างนี้ คือถ้าเราเทียบเคียงสมมติว่าเราจะเอาเทบของครูบาอาจารย์มาฟังแล้วเราจะเจอธรรมะนิซ้ำอยู่อย่างนั้นน่มันไม่ใช่ว่าจงใจให้ซ้าแต่ว่าลำดับขั้นตอนของธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยแสดงอย่างนั้นเราก็มีหน้าที่สืบสารไป อย่างยกตัวอย่างว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเพราะก็จริงเราก็ไม่จบศีลสมาธิปัญญาสักทีเรียกว่าทั้งผู้สดาทั้งผู้สแสดงก็ไปไม่คอรอดบางทีก็เรียกว่าเหมือนกระตาบอดจุงตาบอดเคยโยมก็ตาบอดพระ ก, ก็ตาบอดก็จุงกันไปแต่ก็มีหลักการนำทางก็คือท่านชี้ ตาไม่บอดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระญาสาวกทั้งหลายนี่ท่านแสดงเอาไว้แล้วก็มีหน้าที่อถาธิบายตามที่พระพุทธเจ้าพระริยาสาวกท่านแสดงท่านแสดงว่าอย่างไรเราก็กล่าวไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นเป็นการเผยแผ่ เผยแผ่ศาสนาธรรมเป็นภารกิจและก็เป็นพันธกิจีิภูกพันกับชีวิตเราสาวเท่าที่เรายังเป็นชาวพุทธอยู่ก็แน่นอนแหละเมื่อเราหนักแน่นในความเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคือชาตหนึ่งชัดใดเราก็ขอเป็นพุทธศาสนิกชนโดยใจที่ศรัทธาเชื่อมั่นอยู่ โอกาสก็ย่อมเป็นไปได้ง่ายประกอบจิตจะดับจิตเราต้องยึดถือยึดมั่นอยู่ในพระพุทธกุศลอย่างทำอะไรไม่ได้เราก็นอนภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล่วจะภาวนามไม่มีแรงแล้วเราก็นึกถึงบทพุทโธไปเรื่อยๆเมื่อจิตดับไปด้วยพุทโธก็แสดงว่าสมมีสมาธิอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งแหละ ทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นก็จะเป็นไปยอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเมื่อจิตเศร้ามหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุกขติเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุขติอันนี้ก็ถือเป็นสูตรสําเร็จเหมือนกักนแต่นักปฏิรักษ์ก็แสดงข้อความเหมือนเดิมคือผลมันจะออกมาเหมือนเดิมอย่างนี้ทุกที แต่ว่าธรรมะที่นำมาศึกษาพินิจพิจารณานั้นจะยักย้ายกันไปแต่ก็อยู่ในกลุ่มของอริยสัจอย่างอารมณ์กรรมฐานธรรมฐา4สี่สิบันก็เป็นอริยสัจหรือวิปัสสนาที่มีอารมณ์ใหญ่ในหกแต่ว่าอารมณ์ย่อยก็มีถึงเทา่าไรเจ็ดสิบกว่า มันก็อยู่ในเรื่องของอริยสัจส่วนใหญก็จะเป็นทุกขสั์ในส่วนของวิปัสสนาเนี่ยส่วนวัสมถะมันก็มีครบทุกษัตริย์ก็มีสงฆ์ัตรยสัจก็มีนิโรธสัจก็มีมรรคสัจ ก, ก็มีเพราะว่าตัวสมถะนั้นมันเป็นมรรคสัจอยู่แล้ว เป็นสัมมาวยามาสัมมาสติสัมมาสมาชิอยู่ในขณะนั้นแหละในขณะนั้นที่เจริญสมถะกรรมฐ า, านอยู่อย่างน้อยก็จิตอยู่ด้วยสติสัมยัญญาและความเฉียดตึงก็ครุงไปถึงอริยะเอสมาธิสมาสังกปะด้วยแต่สัมมาวจาสมากรรมฐานสมาชีวะมันก็เป็นฐานอยู่แล้ว ตามปกติเราก็ไม่เคยพบว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรับสั่งให้คนนี่มาฟังเทศสมาทานศีลซะก่อนพอตอนที่เขานั่งเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษของพระพุทธเจ้านั้นตัวร่างกายก็สงบอิญจาก็สงบไม่มีการประพฤติกระทำอะไรที่เป็นการผิดศีล ต่อไปมันก็ใช้หลักก็คือสมาธิกับปัญญาเป็นหลักสมาธิก็คือจิตที่สงบปัญญาก็คือจิตทรรี่ทาหน้าที่พิจารณาตามพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงและถ้าเกิดจิตรวมขึ้นมาได้ปัญญาก็จะสว่างโพร่งขึ้นภายในจิตท่านระดับหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งความรู้ก็จะเกิดขึ้น ในระดับนั้นๆแล้วก็ทำลายกิเลสระดับนั้นๆแต่ระดับใดก็เป็นรายละเอียดส่วนตัวของท่านผู้นั้นรับสั่งว่าท่านทั้งหลายเมื่อเริยสาวกท่านกล่าวว่านะพระสาทีบุตรกล่าวว่าท่านทั้งหลายเมื่อใดเรียสาวกรู้ชัดทุกเหตุเกิดแห่งทุกความดับแห่งทุกข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่ความดับแห่งทุก ทั้งหมดนี้อย่าลืมว่าเหมือนกับที่ ท, ทรงแสดงแก่ท่านปัญญบักขีคือหมายความว่าเป็นความรู้ระดับญาณญาณมันเกิดผุดขึ้นเพราะการกระทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรคอริยมารตอนนั้นเขาเรียกเป็นมรรคสามังคีหรือมรรคสามัีเขาก็านกปนึกเป็นอันเดียวกันแล้ ว, วเกิดผุดเป็นญาณขึ้นมา แล้วก็รู้เห็นอริยสัจด้วยญาณทั้งสามรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่ามีภารกิจจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่ออริยสัจแต่ละข้อและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ารู้ว่าตนได้ปฏิบัติตามนั้นไปแล้วภิกษุทั้งหลายที่ได้ฟังก็เกิดปีติประโมทเกิดสรัทธาเลื่อมใสในธรรมเทศนาที่พระเถระนามาแสดง หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเองหรือประสานอิบุตแสดงก็คือกันทิสุก็เกิดไม่อิ่มก็ต้องการฟังต่อไปได้เลยจากนั้นก็ทรงแสดงเขาเรียกว่าชารามรณาวาระก็หมายความมนเล่นที่ทุกขสัจเป็น เป็นกรอบเรื่องอ่ะเป็นกรอบเรื่องที่เกี่ยวกับชาราและมรณะก็พระเถระก็กล่าวว่าธรรมะเหล่านั้นยังมีอยู่อีกท่านหลายพระเหตุที่ระยะสาวกรู้ชัดชาราและมรณะเหตุเกิดแห่งชาราและมรณะความดับแห่งชาราและมรณะและรู้ชัดข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับ แผงชราและมรณะทําไมท่านไม่พูดที่เกิดคือเกิดเนี่ยมันก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะตอนเราความเทศในเราเกิดแล้วจะแสดงหรือไม่แสดงก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ดูที่ชรามรณะชรากับมรณะนั้นเป็นที่จริงตัวชราเนี่ยที่เราเรียกว่าเกิดแก่ตาย เนแกก็คือชราตายก็คือมรณะไม่เอาเกิดมาพูดเพราะว่าเราเกิดแล้วก็พิจารณาร่างกายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้เข้าจิตยอมรับคติธรรมดาของร่างกายว่ามันเป็นขอมันอย่าง้งเองสนใ้คำว่า เอวังธ ร, รมโมเอวังพาวีเอวังอนัติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้พอเราดูร่างกายสังขารร่างกายของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็จะมองเห็นชีวิตกำลังเดินทางไกล ทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันสั้นข่าสั่นข่าที่เราพูดว่าอายุมากเนี่ยที่จริงอายุมากเราใช้หมดแล้วเช่นสมมติว่าอายุเราสักเจ็ดสิบ้าอย่างเงี้ยเจดสิบ้ามันก็มากแต่ว่ามันไม่มีใช้แล้วเราได้ตายไปแล้วจากอายุเจ็ดิ้า เพราะรอยู่ข้างนาอีกเท่าไหร่เอาตีต่างว่าอยู่ได้นานถึงร้อยถึร้อยปีก็แล้วกัน เ, เหลือยี่สิบห้าปีก็ยังน้อยกว่าเจ็ดสิบห้าปีเอาเอาสักร้อยยี่สิบนึร้อยยี่สิบมันก็เหลือสี่สิบห้าปีก็ยังน้อยกว่าเจ็ดสิบห้าปีพรนุประมาณเหนว่าชีวิตเนี่ยมันมันเหมือนกับคนคว้านเชือกหนัง นั่งอยู่บนแคร่ควันเชือกหนังเชือกมันก็ยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแต่มันก็อยู่ข้างล่างไงใต้แคร่ใต้แคร่นั้นมีสุนัขคอยกินเชือกคอยกินหนังเดียวมาควันเชือกมันก็กินไปเรื่อยๆแต่เราดูมันน่าจะยาวอนะ แต่มันไม่ยาเพราะว่าสุนัขมันกินไปเรื่อยเรืยชีวิตเราก็มีลักษณะอย่างนั้นความแก่ขับเคลื่อนชีวิตนําไปสู่ความตายความแก่นั้นปรากฏให้เราเห็นแต่ความตายเป็นอวิชชาสำหรับเราไม่รู้ว่ามันเกิดเมื่อไรแต่แต่ตายแน่ เกี่วกัแต่ตายเมื่ อ, อไหรตายที่ไหนตายอย่างไรตายเพราะโรคอะไรหรือเพราะอันตรายอะไรนี่เราไม่รู้เลยยัางข่าวกราการตายของคนเป็นอันมากที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันเกี่ยวข้องกับแต่ละคนนี้เยอะบางคนก็ตายโดยความพยายามของบุคคลอื่นตายโดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บางอย่าง ยะนมีการระเบิดกันในส่วนต่างๆของโลกเนี่ยเราได้ข่าวว่าคนตายทีหนึ่งเยอะมากเพราะใดเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่กำบัางจะเกิดอันตรายก็แสดงว่าเราก็มีวิชานะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอันตรายแต่เรารู้เราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าไปที่นั่น แต่ว่าความตายเนี่ยถึงรู้มันก็ตายเพียงจะตายเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วพอพิจนารณาแล้วมันก็เห็นชีวิตมันสั้นอย่างที่ทรงย้ำเตือนไว้ว่าอันความพยายามควรรีบเร่งกระทำเช่นในวันนี้เถอะ เพราะเราไม่รู้ว่าความตายอาจจะมีมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนื่องจากเราไม่สามารถจะผัดพรอนต่อรองอ่อนวอนต่อพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้เลยปราการพุทธศาสนาจึงเน้นที่ความไม่ประมาทแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในประมาทประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคแต่สามเรื่องง อยู่ในกรอบของชรามื่อนานเะนี่ยในวัยก็คือชีวิตที่มันผ่านชราอยู่ทุกขณะแล้วก็ตายอยู่ทุกขณะเราเรียกว่าวัยที่เราถ้าจริงเขาเรียกชัดเจนนะฮะว่ายะเปลว่าเสื่อมมาความร่างกายเราก็เสื่อมอยู่ทุกขณะแล้วก็ เรแสดงวัาตัวชีวิตตัวร่างกายของเราที่ประกอบด้วยนามรูปมันก็เสื่อมไปทุกขณะในทางใกล้ความตายครับแมแล้วก็ในที่สุดเราก็ประมาทแม้แต่ตัวความตายก็ไปคิดเข้าข้นตัวเองว่าเรายังไม่ตายเรายังไม่แก่เท่าไหร่บนการยืนส่องตัวเองดูหน้าตัวเองที่กระจก คนส่วนใหญ่จึงพยายามที่จะหลอกตัวเองโดยวิธีการตกแต่งโดยวิธีการสัญญกรรมต่างๆเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเราอย่งไม่แก่แล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเข้าใจว่าตัวเองไม่แก่เพียงแต่ไปทําสัญญกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคาถานั้นเองแล้วก็คือหลอกหลอกจนเชื่อว่าเป็นความจริง เมื่อนคนพูดเท็โดยปกติเท่ไปเท็จมาฟังคำพูดโกหกของตัวเองไปมาแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นอุปท า, านยึดติดว่านั้นเป็นความจริงแล้วก็สังคมที่ได้ยินได้ฟังามที่คนเหล่านั้นพูดมันก็ไปยึดถือว่าเป็นความจริงเอาด้วยในสุดมันก็ไปกันใหญ่ เรื่องของชรากับมรณะเราจะเห็นว่าเขาเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็เพียงแต่ว่ามรณะนั้นปรากฏชัดเจนคือการแตกดับแห่งชีวิตินทร์สีเราไม่รู้ว่าจะแตกดับอะไรมรณะนั้นบางทีก็จำแนกเป็นสามเด็นคณิกามรณะคือตายอยู่ทุกขณะ การเกิดดับของเซนต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็เกิดดับไปอยู่ทุกขณะแล้วก็เป็นการตายแบบสมมติอย่างอย่างเราเราท่านๆเนี่ยอย่างสามัญชนทั้งหลายในที่จริงก็สมมติว่าตายเพราะว่ามันไม่ตายจริงอะ่ะมันตายแล้วเกิดอะ่ะ ตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บถ้าเราเราลึกชาติได้เราก็จะเห็นต่อกันเป็นสายโยงไปเป็นแถวไปเลยอย่างที่พรจะพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายท่านระลึกชาติได้เนี่ยก็เห็นมันก็ต่อกันจากชาตินั้นไปชาตินัน้นชาตินั้นไปชาตินั้นชาตินั้นไปชาตินั้นแต่แน่นอนมันก็มีการเกิดดับหมายความดับก่อนแล้วก็เกิด เป็นจุติแล้วก็ไปสนฉิจุติแล้วก็ไปสนฉิจุติแล้วก็ไปสนชิทีนี้เมื่อตายไปแล้วไอ้สิ่งที่มีจิตคนสร้างความเปลี่ยนแปลงของจุติกับไปสนฉินี่ต้องต่อเนื่องกันนะหมายความมาจุติด้วยจิตที่ดีจึงจะปฏิสนธิในสถานที่ดี ในตรงนั้นแหะท่านเรียกว่าวิญญาณทิติคือที่ตั้งแห่งวิญญาณเป็นพระพุทธมรดกจากพระโอเองแต่มันชนเราไม่ร่วมอยู่ที่ไหนบ้างแต่บางเรื่องก็พอดูออกเพราะว่าเราแต่ละคนมันก็เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณด้วยกัน พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเขาเรียกว่าสมาาุทเฉทมรณะคือตาเด็ดขาดเลยหมายความมายุติการเกิดมยุติการเกิดได้ก็ยุติการแก่การเจ็บการตายการพลัดพรากการสูญเสียต่างๆก็ๆลมระเนระนาดไปทั้งแถบท่างๆตัวการสาคัญอยู่ที่ท่านดับพวกกิเลสกรรมได้วิบากมันจึงไม่มี เพราะเหตุมันไม่มีกคชายกัตนก้นไม้ไม่มีเนี่ผลมั น, นมก็ไม่มีผลกัต้นไม้ต้นนั้นนะต้นที่ไม่มีอ่ะมันไม่มีเดี๋ยต้ตนที่มีมันก็มีมมไปเดีวพรทะเถระก็กล่าวว่าเพราะเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดธรรมอริชลาและมรณะ เกิดแห่งชรามรณนะความดับแห่งชราโมรณนะแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งชราโมรณนะอันนี้ก็โครงสร้างอริยสัจสี่ด้วย เ, เพียงเท่านั้นแหละคุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครนแคร์มาสู่พระธรรมในนี้นี่ก็เป็น ก็เรียกว่าชจรามรณะวาระคือเป็นช่วงที่อธิบายสองข้อคือจกจกรากับมรณะแล้วท่านก็ยังอธิบายต่อไปตามแนวอะไรตามแนวก็ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ตรงกับที่วิจ้าทรงแสดงไว้ในมาสติปฐานฐานสูตรเหมือนกันต้องฟังทังหลาย